ถ้าเราลองย้อนหลัง 5,000 ปีก่อนทางๆหมายความว่ามนุษย์ 5,000 ปีก่อนก่อนมันก็มีหลักฐานต่างๆ มีที่ความเป็นอยู่อย่างนี้มีๆเหล่านี้อันๆเค้าก็ค้นๆเหล่านี้แล้วเรามา 5,000 ปีที่ผ่านมาก็ เขามีการเขียนภาพตามถ้ำฝาผนังใช่มั้ยแสดงว่าเขาต้องมีตาแน่ๆใช้หูก็ต้องมีเพราะว่าได้ มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีอายตนะทั้ง 6 อย่างอยู่ไหนถ้าใครก็ตามมีอายตนะมีตานะมีรูปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น นะมีกลิ่นหอมเหม็นดอกไม้กลิ่นไฟกลิ่นไหม้น้ำมันก็มีกลิ่นนี่มีจมูกนี่มัน 3 อย่างนี้ทําให้เกิดภาษาท่านผู้ฟังเสียงหูเกิด อ่าพัสสะที่เกิดจากการเอ่อรู้แจ้งทางใจก็เหมือนกันเป็นวิภัสสะทางใจนะจิตนี่คนละอย่างนะนี่คือ 5,000 ปี แล้วก็มีเกิดมีช่องทางทางจิตเนี่ยมันจึงเกิดความรู้แจ้งทางใจเค้าเรียก 3 อย่างรวมกันจึงๆที่เค้า ที่เนี่ยเราเห็นคือมีการตายแน่นะเพราะกระดูกซี่จะเป็นสุขอยู่เห็นภาพ นะเราไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้หรือคุณมีเอ่อตาหูจมูกลิ้นไกใจคุณจะมีผัสสะคุณมีผัสสะ ทั้งอดีตอนาคตมันเจอรวมๆที่ความทุกข์แล้วถ้าเรามีความ 1 แล้วถ้าคุณมีใจไหนถ้าคุณมีใจบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างคิดเรื่องที่ทําให้เรา ลิงมันชอบวิ่งไปมาไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาบางทีมันก็ ใช้แรงเหวี่ยงเดิมไปจับอีกกิ่งนึงๆต้น 3-4 ต้นมันกระโดดโยงๆไป 5,000 ปีก่อนแล้ว แต่ว่าจิตนี้มีปัญหาแน่ไหนมีปัญหาแล้วจะทําไงถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้ที่พอจะมีความ มันจะไม่มีทางที่เอ่อจะสามารถทําให้จิตนั้นมีกําลังได้คือถ้าผมว่าเราคิดนั่นคิดนี่กินโน่นจิต แต่คือน้องไม่รู้คือสมัยนั้นว่ะตําเนินแล้วเครื่องมือที่เค้า นึกไก่มาสังเกตลมไม่ใช่เข้าลมไม่ใช่ออกแล้วเค้าก็ทํา 1 ได้เอ่อหรือบาง มันคือเพื่อที่สัมจิตนั้นให้เป็นเป็นหนึ่งมีฐานที่ตั้งให้ ไม่มีไปอ้าวนิ่งไม่หนีไปแล้วมันจะเป็นยังไหวไปตามสิ่ง รูปภาพรูปเคารพหาเสื้อผ้าสมัยก่อนนั้นนั้น ตัณหาลากผ้าไปเป็นเรื่องอื่นละคิดนั่นคิด เราเห็นซากกระดูกเด็กก็มีแสดงว่าเด็กก็ตายแก่ก็ๆอยู่นั่นมีปัญหาเรื่องความเกิดความเอ๊ะความเกิดความแก่ความตายนี่สมัยนี้มนุษย์มัน มันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเขาก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเขาก็มี นั่นแสดงว่าเขาก็ต้องจะคลายทุกในระดับใดระดับหนึ่งของเขาอาจจะมีการพิธีการบูชาการบวงสรวงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง กว่านี้ก็ตามเนี่ยที่มีที่พึ่งเนี่ยถึงแม้จะยังเป็น ที่ก็ทําช่วยก็ทําไม่มีใครที่จะถ้าเรายังมีที่พึ่งอาจยังไม่ถูกไหนที่พึ่งเนี่ยอาจยังไม่ ทีนี้ถ้าใครมีที่พึ่งที่ถูกต้องนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ธรรม แต่ในเรามีคําตอบพระเจ้าที่จะมาให้เราแก้ปัญหา ในมีประโยชน์นั้นเป็นช่องคือแล้วในมีอาคารบ้าน 10 ปี 30 ปีข้างหน้าแต่สงคราม ที่ว่าจะมาถึงแน่เช่นทุกขคภัยน่ะอุทกคภัยภัยอะไรต่างๆที่มัน ในนี้เวลาหมดแล้วท่าน